จิตฟุ้งยอมรับจิตสงบยอมรู้สวดมนต์หลายรอบจิตไม่เหมือนกันสักรอบแค่เห็นความไม่เหมือนกันได้ทุกรอบ ก, ก็นับเป็นวิปัสนาในการเห็นจิตตามจริงแล้ววิธีง่ายที่สุดที่คุณจะเห็นความต่างระหว่างจิตสงบ ก, กับจิตฟุง้ง คือทำอะไรดีๆบางอย่างที่เป็นแนวโน้มให้จิตถูกตะล่อมเข้าสู่ความสงบเพื่อจะได้เห็นว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจสงบหรือฟุ้งซ่านได้ตลอดเวลากล่าวคือจะสงบ ก, ก็ต่อเมื่อสั่งสมเหตุแห่งความสงบไวมากพอและจะกลับฟุ้งซ่านเมื่อเหตุแห่งความสงบหมดกาลังแนวทางตะล่อมจิต เข้าสู่ความสงบที่เป็นไปได้และง่ายสำหรับทุกคนที่ทำอย่างถูกต้องคือการสวดมนต์ผลของการสวดมนต์มีทั้งกับกายและจิตการทำความเข้าใจกับภาพรวมทั้งหมดจะส่งผลให้คุณเกิดแรงบันดาลใจตั้งอกตั้งใจสวดอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลที่จะนำมาใช้เจริญวิปัสสนาต่อ ผลทางกายการสวดมนต์คือวิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากอาการเครียดเกร็งหรืออย่างน้อยก็บรรเทาความกระสับกระส่ายลงผลดังกล่าวเป็นที่รู้สึกได้กับผู้สวดมนต์อย่างถูกวิธีภายในช่วงระยะเวลาอันสัน้นผลทางจิตการสวดมนต์คืออุบายขจัดคลื่นความคิดฟุ้งซ่านด้วยคลื่นความคิดที่เป็นระเบียบนอกจากนั้น ยังทำความสว่างเย็นสร้างความชุ่มชื่นร้อมจะสงบระงับได้นานไม่เสื่อมลงเร็วนักว่ากันถึงหลักฐานทางกายก่อนปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเข้าใจการทำงานของสมองดีขึ้นเรื่อยๆดังเช่นการสแกนสมองด้วยวิธีสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชื่อเรียกเป็นตัวย่อว่า MRI ในแพทย์เฮอร์เบิร์ตเบนสันจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้สแกนสมองด้วยวิธีเอ i ในขณะที่เกิดการสวดจนถึงจุดสงบสิ่งที่หมอเบนสันและทีมงานค้นพบคือพอสวดจนเป็นสมาธิสมองจะทำงานต่างไปเริ่มต้นจากสมองกลีบข้างซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการแปลสัญญาณความรู้สึกทางกายได้บอกกับสมองส่วนอื่นทั้งหมดคล้ายคให้ตามสบาย พักได้สมองกลีบหน้าและสมองกลีบขมับซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้เราทราบว่าเวลาผ่านไปช้านานเพียงใดตลอดจนสร้างความรู้สึกมีตัวตนที่ติดต่อกับโลกภายนอกได้นั้นพอพักการทำงานชั่วคราวก็จะทำให้เรารู้สึกต่างไปคือเหมือนเวลาผ่านไปเร็วไม่เฝ้ารอเวลาเลิกอีกทั้งตัวตนเบาบางลง ราวกับกายใจกลายสภาพเป็นธรรมชาติโปร่งใสไร้ความทึบแน่นใดๆไม่เมื่อยขบหรือรำคาญสภาพแน่นิ่งนอกจากนั้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จะช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายรักและพอใจอารมณ์สุขสบายที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังคุมระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆอย่างได้ดุลทั่วร่างอีกด้วยนั่นเอง ความรู้สึกอยู่ตรงกลางพอดีจึงเกิดขึ้นสรุปเป็นภาพรวมได้ว่าการสวดมนต์อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายต่างไปเมื่ออาศัยแก้วเสียงแหลงคำสวดนานถึงจุดหนึ่งสมองจะบอกตัวเองว่าถึงเวลาที่ร่างกายทั้งหมดเลิกเก่งได้แล้วไม่ต้องมีพันธะกังวลใดๆแล้ว แม้ไร้ความเชื่อทางศาสนาอย่างน้อยคุณก็ได้รับการยืนยันจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าการสวดมนต์ให้ผลเป็นการยกระดับสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก้เครียดได้จริงเกิดสุขล้นพ้นได้จริงไม่ใช่กิจกรรมน่าเบื่ออย่างที่คิดอธิบายในแง่ของจิตคือการสวดมนต์ ทำให้จิตผูกอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความคิดแสนดีจิตจึงมีความเป็นกุศลซึ่งเป็นธรรมชาติด้านสว่างจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตมีสภาพเป็นกุศลสว่างกายยอมถูกปรุงแต่งให้สว่างตามคือมีความผ่อนคลายจากความเครียดเกรง็งลมหายใจปราณีตเข้าสู่จุดสมดุลทางความสุขไปทั้งตัว ปัญหาอยู่ตรงที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าสวดมนต์อย่งางไรจึงเกิดภาวะดีๆดังกล่าวขึ้นมาได้ทั้งนี้เพราะคนจะสวดกันตามความเคยชินคือขมุบขมิบออกเสียงงื่มงำบ้างไม่เปล่งเสียงเต็มปากเต็มคำบ้างสวดด้วยใจหวังอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างลอยใจฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยระหว่างสวดบ้างเป็นตน้นเมื่อเป็นเช่นนั้น แก้เสียงจึงขาดพลังสะเทือนไปถึงส่วนรับความรู้สึกของสมองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งจิตก็ไม่อาจเป็นกุศลเต็มดวงได้ทั้งกายทั้งจิตจึงไม่ผสานกันเข้าสู่จุดสมดุลแม้จะสวรรสดสักกี่สิบรอบก็ตามเพื่อจะสวดให้เกิดสมาธิคุณต้องเรียนรู้ที่จะเตรียมความพร้อมทั้งจิตและกายควบคู่กัน ความพร้อมทางจิตเริ่มด้วยศรัทธาเช่นตั้งใจว่าจะถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเพียงน้อมระลึกเช่นนั้นก็จุดชนวนปีติให้เกิดขึ้นอ่อนๆได้แล้วจากการตั้งใจอันสว่างเป็นมหาคุศลรเจตนาอันก่อให้เกิดบุญปรุงแต่งจิตเฉียบพลัน ความพร้อมทางกายเริ่มสวดด้วยการเปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคำอย่างน้อยต้องรับรู้ความสะเทือนของแก้วเสียงได้อย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะสม่าเสมอไม่เร็วจนรู้สึกรีบร้อนไม่ช้าจนรู้สึกยืดยาดหลังจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีของการสวดมนต์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางกายใจแล้วก็ถึงเวลาทําความเข้าใจกับบทสวดบ้างบทสวดที่เราต้องการควรมีลักษณะการออกเสียงที่ฟังนุ่มนวลเตี่ยมพลังสว่างเหนี่ยวนําให้น้อมใจเข้าสู่ความสงบโดยง่ายนอกจากนั้นคําแปลหรือความหมายของบทสวดควรติดอยู่ในความทรงจําว่าบทสวดนี้ มุ่งไปในทิศทางไม่หวังเอาผลตอบแทนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อขึ้นต้นหวังโชคลาภตอบแทนซิแล้วก็รังแต่จะทำให้เกิดความเลงโลกจิตใจวันไหวด้วยอาการวิงวอนขอจะหาความสงบมาแต่ไหนต่อเมื่อความหมายของบทสวดชวนให้หวังแค่ได้มีความสุขกับการเปล่งเสียงสาธุการสรเสริญคุณวิเศษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมทาให้สบายใจ มีจิตเปิดกว้างด้วยกระแสเมตตาอย่างเป็นไปเองสุดท้ายหลักแหล่งที่มาของบทสวดควรเป็นสิ่งที่รู้แล้วเกิดความน้อมเคารพอย่างแท้จริงและนั่นก็ไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าการได้รู้ว่าถ้อยคําที่คุณสวดเป็นพระวจนะของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวคือพระองค์ตรัสไว้เองเป็นสัจจะเป็นอมตะ เป็นความน่าเลื่อมใสไม่จากัดการถ้าจะนึกถึงบทสวดที่มีคุณสมบัติอันประเสริฐทั้งสามครบพร้อมอันได้แก่ออกเสียงไพเราะหนึ่งความหมายเมตตาหนึ่งและที่มาน่าเลื่อมใสหนึ่งก็ควรนึกถึงบทอิติปิโสเป็นอันดับแรกอิติปิโสมาจากไหนสมัยโบราณผู้คนจะร่ำลือถึงพระสาสดาที่ตนนับถือ ตลอดไปจนกระทั่งแนวคําสอนของท่านรวมทั้งคุณลักษณะของผู้เป็นสาวกผู้ปฏิบัติตามคําสอนด้วยส่วนจะร่ําลืออย่างไรแทนที่คนโน้นจะพูดทีคนนี้จะพูดทีก็เอาตามที่องค์ศาสดาท่านตรัสไว้เกี่ยวกับองค์ท่านเองตลอดจนคําสอนและสาวกผู้ปฏิบัติตามจะได้บอกต่อให้ถูกต้องเหมือนเหมือนกันหมด ดังเช่นที่ปรากฏในสามัญญพ ล, ลสูตรเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูทูลถามว่าศา ส, สนาของพระพุทธเจ้ามีดีอย่างไรท่านก็จะระันคุณลักษณะสามัญแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ว่าอาดีตรหรือปัจจุบันซึ่งก็เหมือนเหมือนการทุกพระองค์อย่างละเอียดก่อนจะแสดงถึงผลที่สาวกปฏิบัติได้กันเป็นปกติหรืออย่างในปุญญาพิสันทสูตร ที่พระองค์แสดงห่วงกุศลอันเป็นเหตุให้ไปสู่สวรรค์และนิพพานท่านก็ตรัส จ, จารณัยว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ผู้บรรลุพึงเห็นเองได้ไม่จำกัดการและอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติตามอย่างดีแล้วก็ย่อมเป็นนาบุญอันเยี่ยมของโลกสรุปว่าที่แท้แล้วอิติปิโสก็คือการนำเอาพระวจนะที่จารณัยคุณวิเศษของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ มาไว้เป็นบทสันเสริญสาธุการเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุค พ, พุทธกาลพากันกล่าวขานและเพราะอย่างนั้นอา น, นิสงส์ของการพร่ำสวดอิติปิโสจึงเหมือนกับที่เหล่าคนในสมัยพุทธกาลท่านได้รับกันนั่นคือมีใจเปิดรับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจนบังเกิดความสว่างอย่างความชื่นบานแกจิตใจได้ไม่จากัด สำหรับส่วนนี้ในหนังสือลงบทสวดคือบทอิติปิโสไว้นะครับมีทั้งบาลีและคำแปลไทยในที่นี้ขอข้ามไปเพราะทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งถ้าท่านใดไม่รู้จักก็สามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าอิติปิโสได้เลยนะครับหากจุดประสงค์ของการสวดของคุณคือการย้ำความเข้าใจในระหว่างสวดก็อาจขานกล่าวคาแปลไปด้วย แต่หากต้องการถึงความสงบอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องกล่าวคาแปล ก, ก็ได้เพราะหลังจากรู้ความหมายของบทสวดแล้วทุกครั้งที่สวดคุณจะรู้สึกได้เองว่ากำลังกล่าวสันเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทั้งสของพุทธศาสนาอยู่ไม่ใช่กล่าวขานหรือเปล่งเสียงอย่างเลื่อนลอยไร้ทิศทางคุณจำเป็นต้องท่องจาอิติปิโสให้ได้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้วกแวกเหลือตาอา่าน อันเป็นเหตุให้เสียสมาธิไปไม่น้อยเมื่อทุกสิ่งพร้อมสับเพียงแค่สวดไม่กี่คำคุณจะรู้สึกดีฟุ้งซ่านน้อยลงความเครียดลดลงได้แล้วแต่เพื่อจะต่อยอดเป็นวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงของจิตคุณจำเป็นต้องสวด ห, หลายรอบเพื่อใช้แต่ละรอบเป็นเครื่องเปรียบเทียบจิตเห็นว่าจิตในแต่ละรอบนั้น ฟุ้งมากฟุ้งน้อยแตกต่างกันเพียงใดจํานวนรอบที่เหมาะสมสำหรับมือใหม่น่าจะเป็นสามจบเพราะไม่ใช้เวลานา น, านจนต้องทนเบือ่อแต่ก็ไม่ใช่เวลาน้อยจนเกินกว่าจิตจะเข้าที่เข้าทางเป็นสมาธิได้ทันสถานที่ที่ควรใช้ฝึกก้าวแรกควรเป็นหน้าหิ้งพระในบ้าน หรือถ้าเป็นพระประธานในโบสถ์ได้ก็ยิ่งดีเนื่องจากองค์ปฏิมาจะปรุงแต่งจิตให้รู้สึกสว่างง่ายจิตใสใจเบาเร็วขอให้พนมมือกราบพระด้วยความรู้สึกนอบน้อมเคารพสังเกตใจตามจริงว่ามีความฟุ้งซ่านมากหรือน้อยเพียงใดในขณะนั้นเอาความรู้สึกเป็นหลักถ้าใจบอกตัวเองว่าฟุ้งมากให้จําไว้ว่า ปุ้งมากรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าใจบอกตัวเองว่าฟุ้งน้อยก็ให้จําไว้ว่าฟุ้งน้อยรู้สึกอย่างนั้นจากนั้นให้ปิดตาเริ่มสวดนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัสโตสัมมาสัมพุทธะสามจบซึ่งมีความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอรหันต์พระองค์นั้นเป็นการตั้งหลักให้จิตอ่อนน้อม รอมจอดจิตอยู่กับกระแสความเป็นพระองค์สังเกตดูว่าหลังจากท่องนโมจบจิตของคุณฟุ้งน้อยลงกว่าเดิมด้วยความนอบน้อมอ่อนโยนหรือไม่โดยทั่วไปแล้วหากจิตมีอาการทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเลื่อมใสจิตใจจะอ่อนโยนลงเป็นผลให้ฟุ้งซ่านน้อยลงเสมอ ขอให้ระลึกไว้แม่นๆว่าน้อยลงกับหายไปเป็นคนละอย่างกันน้อยลงคือน้อยกว่าที่รู้สึกเมื่อแรกส่วนหายไปคือความรู้สึกเมื่อแรกไม่เหลืออยู่เลยหลังจากสวดนโมเสร็จให้เริ่มอิติปิโสรอบแรกตั้งใจสวดชัดถ้อยชัดคำไม่ดังเป็นตะเบงไม่เบาเป็นงืมงำ โฟกัสที่แก้วเสียงในลำคอด้วยความตั้งใจถวายเป็นบูชาแด่พระรัตนตรัยอย่างเดียวระหว่างสวดไม่ต้องดูจิตไม่ต้องดูอะไรอย่างอื่นทั้งสิ้นแค่ระลึกถึงความสะเทือนของแก้วเสียงอย่างเดียวเท่านั้นพอสวดจบให้หยุดพักครู่หนึ่งเพื่อสังเกตดูวัดด้วยความรู้สึกว่าขณะนี้ฟุ้งซ่านมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าตอนท่องนะโม เมื่อรู้ว่าฟุ้งมากขึ้นหรือฟุ้งน้อยลงให้บอกตนเองว่าเห็นความไม่เที่ยงแล้วแม้สวดแล้วฟุ้งหนักขึ้นจะเพราะต้องฝืนหรือยังไม่คุ้นอย่างไรก็ตามอย่างน้อยคุณจะไม่อึดอัดมากนักเพราะจะรู้สึกว่าได้สิ่งที่ต้องการนั่นคือเห็นความไม่เที่ยงด้วยมุมมองนี้จิตจะฟุ้งมากขึ้นหรือน้อยลงก็ตาม ถือว่าถูกทั้งคู่ใจคุณจะไม่ให้ค่าว่าฟุ้งมากขึ้นคือเสียคะแนนฟุงน้อยลงคือได้คะแนนแต่อย่างใดจากนั้นสวดรอบสองและรอบสามพอสวดจบแต่ละรอบก็สังเกตระดับความฟุ้งซ่านอีกเช่นเดิมหากสวดครบสามรอบแล้วเกิดปีติยังไม่อยากเลิกรู้สึกอยากสวดเพื่อเปรียบเทียบจิตต่อ ก็ตั้งเป้าหมายใหม่ได้เช่นจะสวดต่อให้ครบเจ็ดรอบด้วยปีติที่เริ่มเอ่อขึ้นมาอย่าแปลกใจว่าอาจมีสักรอบหนึ่งรู้สึกไม่ฟุ้งซ่านเลยเหมือนจิตสว่างแจ้งเต็มดวงกลางใจเป็นอิสระไราการหุ้มหอ่อใดๆเมื่อจิตสว่างเต็มดวงเกิดความเบิกบานหันซาเช่นนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยใจให้ยินดีหรือยึด ต, ติดถือมัน่น ต้องเตือนตัวเองให้ได้ว่านี่ก็แค่สภาพจิตหนึ่งในการสวดรอบหนึ่งเท่านั้นการเห็นจิตสว่างเต็มดวงจะเป็นประโยชน์มากหากคุณใช้เป็นหลักในการสังเกตเปรียบเทียบให้เห็นว่าจิตรอบอื่นที่ฟุ้งมากฟุ้งน้อยแตกต่างไปจากตอนจิตสงบเงียบไม่ฟุ้งเลยอย่างไรเมื่อฟุ้งซ่านแล้วยอมรับ กับทั้งสงบสุขแล้วยอมรู้จิตจึงไม่หลงยึดว่าชอบไม่หลงยึดว่าชังเห็นภาวะของตัวเองทั้งที่ดีและไม่ดีเป็นเพียงของชั่วคราวขอให้สังเกตว่ายิ่งยอมรับว่าฟุง้งยิ่งยอมรู้ว่าสงบมากขึ้นเท่าใดความรู้สึกในตัวตนที่ฝังอยู่กับจิตจะยิ่งเจือจางลงและเห็นว่าทั้งอาการฟุง้ง และอาการสงบของจิตต่างก็ไม่ใช่ตัวคุณทั้งคู่และเมื่อสวดอิติปิโสเห็นความไม่เที่ยงของจิตเป็นปกติได้ทุกวันในไม่ช้าคุณจะพบว่าอุปาทานและความยึดมั่นถือมั่นผิดๆทั้งหลายค่อยๆทยอยหายไปเรื่อยๆจิตหลอดโปร่งเป็นสุขอยู่กับการเห็นตามจริงไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกตัวหรือในตัว เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะผู้รู้สึกถึงจิตของตนเองอยู่เรื่อยๆย่อมมีชีวิตที่เห็นออกมาจากโลกภายในไม่แพ้จดจ้องอยู่กับโลกภายนอกก็ขนาดโลกภายในอันเป็นที่ตั้งของตัวตนอย่างเห็นว่าไม่เที่ยงชัดๆแล้วโลกภายนอกอันเป็นที่ตั้งของเหยื่อล่อทั้งหลายจะเป็นอมตะน่าให้ยึดอย่างไรได้